เป็นเด็กชนบทก็อาศัยบารมีผ้าเหลืองจึงได้มีความเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันนี้อันนี้ข้อนี้คณะสงฆ์น่าจะคิด